อีกเวลาหนึ่งที่ทุกคนจดจ่อรอคอยนั้นก็คือการที่จะได้ฟังการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คกฤติ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบปทุมธา น, นีนะคะเพราะว่าในการตอบคำถามนั้นท่านได้นำอพุทธวั จ, จนะในบทที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับพวกเราว่าพระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ตรัสไว้อย่างนี้ค่ะ ขณะนี้ก็มากราบนมัส ก, การท่านก่อนที่จะไปสนทนากันค่ะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนานี้ค่ะเรียนกรานมันส ก, การค่ะ ก็วันนี้ถ้าเปิดรายการแล้วไม่พูดถึงของใหม่สำหรับคนที่ชมรายการอยู่เป็นประจำอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้แปลกๆมีอะไรเพิ่มมาใหม่ความจริงความใหม่นี่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะมีสองประการอย่างแรกนี่คือกล่องหนังสือฟุตวันะอันนี้เป็นกล่องไม้งดงามมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่ท่าอาจารย์จะบอกทุกคนสามารถมีกล่องไม้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ สามารถมีได้ต้องสั่งทำเป็นพิเศษตอนนี้นี่พิเศษเฉพาะรายการนี้อฮะนะคะก็เพื่อทําให้หมวดหมู่ของหนังสือที่ถ้าอาจารย์ได้จัดทาขึ้นมาสำหรับในกล่องเนี้ยมีอยู่สิบฉบับนะคะสวยครับท่านคะแต่ว่าที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากเนี่ยดิฉันให้ความสำคัญไปที่เล่มนี้ก่อนนะคะอ๋อเล่มนี้ก็เล่มนี้อย่างที่เคยบอกไว้เป็นเอ่อ บาลีสยามรัตที่คัดเอามาเฉพาะคาพระศาสดาพุทธวจน ะ, ะข้อมูลที่เก่าที่สุดนะจากบาลีสยามรัตเล่นที่เราเคยหยิบให้ดูเรื่อยๆนะที่ทำตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่ห้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ตกทอดมาจากราชัชกาลที่หนึ่งแล้วก็รหนึ่งตกทอดมาจากยุคทวาราวดีแล้วก็ตกทอดมาจากที่พระเจ้าโศกมหาราช ด น, นข้อมูลตรงนี้เราก็ได้จัดทําขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะไปเจอพุทธประสงค์ที่พระศาสดาบอกว่าให้สนใจแต่คําสถาคตเท่านั้นเพราะนั้นเราก็จะเอาคําที่ถูกปรุงแต่งขึ้นออกแล้วให้เหลือแต่คําพระศาสดาหนังสือนี้จึงเรียกว่าพุทธวจนะน ะ, ะ, ะมีแต่คําพระศาสดาเราอย่างเดียวไม่มีคําคนอื่นเข้าไปปนเปื้อนแล้วก็จะ ถ้าเป็นไปได้ก็จะทำเพื่อครบรอบฉลอง 2,600 ปีของการตัดสรุของพระศาสดาขนหมายาถึงปีหน้าปีหน้าปี 2,555 เพราะพระพุทธองค์นั้นฟ <c oughs> รินิพานเมื่อเป็นพระศาสดาได้45ปีอย่างนั้นใช่ไหมค ะ, ะก็ไปบวกกับ 2,555 2,600 ตรงนี้ก็จะบอกระดับของตัวหนังสือเอาไวาเ้เช่นในคำพระศาสดาเรา จะเป็นคําที่เป็นตัวดําตัวตรงตัวดําแต่ทีนี้ในคําที่ติดกันเนี่ยจะมีคําเกริ่นของผ้าหนนด้วยวะพระเจ้าพูดเรื่องเนี้ยที่เชตวันที่เวลุวันหรือที่ไหนกับคลกับจอมเทพกับภิกษุทั้งหลายหรือกับค้ บ, บดีคนไหนนะคำเกริ่นนี้ก็จะเป็นตัวสีเทาล ง, ลงมาหรือตัวเล็กลงมา <S S S เพื่อให้คําพระเจ้าเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะส่วนคำอริรรมฐานเนี่ยเอาออกไปหมดแล้ว นะอาจจะเหลือที่คำที่พ่วงติดกับคำภาษาสดาจริงๆมาคือของผู้ที่ทรงจำมาแล้วมีคำกลิ่นนิดหน่อยว่าผู้ที่สถานที่ใดเวลาใดอย่างนี้คร่าวๆแล้วในเนื้อหา <c oughs> ก็จะมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยควบคู่กันฝั่งนี้จะเป็นบาลีฝั่งนี้จะเป็นภาษาไทยอย่างนี้ เพราะว่าผู้คนที่ต้องการศึกษาลึกซึ้งก็สามารถตรวจเช็คบาลีได้ทันทีส่วนคนที่ต้องการอ่านเพื่อการรู้เรื่องก็อ่านแต่ภาษาไทยไปอ่านหน้านี้หน้าเดียวไปเรื่อยๆนะถ้าต้องการเช็คความถูกต้องก็เช็คบาลีได้ทันทีนะ <c oughs> เล่มข้อหัวข้อตรงกันทั้งหมดนะแล้วตรงนี้ก็จะทาเข้าไปในซีดีโปรแกรมด้วย เพื่อที่จะสามารถใช้สแกนตรวจหาคําได้ในเวลาวินาทีเดียวเราสามารถเทียบเคียงข้อมูลได้เร็วขึ้นนี่ก็เป็นหนังสือตัวอย่างใหม่ล่าสุดของใหม่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยสนใจมากเลยอยากจะมาขอรับได้แล้วหรือยังคะยังไม่ได้จัดพิมพ์เป็นอ ในปริมาณมากๆนี่เป็นเล่มตัวอย่างคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าดิฉันกลาบเรียนถามท่านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะเป็นคนแรกๆที่ได้หนังสือนี้เหมือนกันก็ทร <c oughs> าบว่านี่เป็นเล่มแรกเล่มเดียวเป็นเล่มต้นแบบเล่มต้นแบบเล่มต้นแบบรวมทั้งหมดจะมีอย่างนี้กี่เล่มกะนคะรวมทั้งหมดจะมีเล่มขนาดนี้สามสิบสามเล่ม <c oughs> ค่ะนะพระเปพดกบาลีสยามรัฐสี่ิบ้าเล่มเนี่ย คัดเหลือแต่พุทธวจนะแล้วเหลือส3สามเล่ม น, นะทั้งวินยัยส่วนวินัยและส่วนธรรม ะ, ะมก็เป็นเล่มที่11เอเล่มนี้ส่วนจะมีออกมาให้อย่างไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปก็เล่มใหญ่ๆนี่คงจะต้นทุนพอสมควรนะฮะแต่คุ้มค่าใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นความจเจริญศาสนาโดยตรงถ้าจย์ พยายามที่จะทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเจตนาต้องการจะให้ไปปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างคะหนังสือพวกนี้คะบ้านทุกหลังของชาวพุทธจริงๆต้องมีมีคําศาสนาตัวเองค่ะเหมือนเพล็กก็มีไบเบิลเขามีคําพระเจ้าเขาแต่ชาวพุทธไม่มีคําพระเจ้าเราจริงๆรัชการที่5ทรงเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ทําแจกไปทั่วโลกแล้วก็แจกไปวัดวาลามทั่วทั้งหมดเลยนั่นคือท่านมีกําลังมากอ๋อหมายถึงบาลีสยามรัฐเนี่แหละใช่ใช่ เพราะ น, นั้นในบาลีสามรัฐในส่วนที่เป็นพุทธวจนะนั่นยิ่งถูกต้องที่สุดเลยนะแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แจกกระจายนะไปให้มากที่สุดนั้นบางทีชาวพุทธเนี่ยเราไปสร้างวัดวาอารามเนี่ยน ะ, ะโอ้เป็นร้อยล้านพันล้านน ะ, ะตรงนั้นอาตมาบอกว่าต้องเอามาทำตรงนี้ <c oughs> นะเพราะอะไรเพราะพระศาสดา บ, บอกว่า ความเจริญหรือเสื่อมศาสนาอันดับหนึ่งคือบทพันชน ะ, ะ, ะเสื่อมหรือไม่เสื่อมบทพันชน ะ, ะทุกวันนี้เรามีแต่นังสือสาวกโยมพิมพ์นังสือสาวกแจกกันเต็มเลยแต่โยมไม่เคยพิมพ์ น, นังสือศาสดาตัวเองนี่คือความแปลกมากของชาวพุทธนะเพราะนั้นนังสือในประเทศไทยหาหนังสือที่เป็นคําศาสดาตัวเองไม่ได้ตลกมากเมืองพุทธ แต่หาคำสัจสดาตัวเองหายากมากเลยค่ใช่อืมมันต้องมีเกลื่อนทุกแผงหนังสือต้องมีคําพระเจ้าเนี่ยเล่มเล็กๆอย่างนี้ที่เราทำมามันต้องมีทุกแผงหนังสือเนี่ค่ะอย่างหนังสือมนต์พิธีเนี่ยอุ้ยหนังสือสา ร, รพัดหรืออะไรต่อนไรเนี่ยที่มันผิดผิ ด, ผดมีเต็มทั่วประเทศนะค่ะแต่คำพระสัสดาไม่มีคำสัจสดาเราเองแปลกไมไ่มนี่แหละนั้นเราเปลี่ยนจากสร้างบท ว, วิหารเนี่ยมาสร้างบทพันชนะ ตรงตามพุทธวจนะเป๊ะความเจริญเสื่อมศาสนา4อย่าง1บทพันธนะถูกความหมายถูกอธิบายถูกศา ส, สดาอธิบายเองศา ส, สดาบัญญัติเองนะสอิสูจเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนด้วยความกรุบหนักแน่นข้อที่3เนี่ยนะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปยงพิมพ์หนังสือยงจะพิมพ์ของใครล่ะถ้าไม่ใช่ของศาสดาตัวเอง ใช่ไหมเนี่ยยิ่งเปลี่ยนแนวคิดใหมเ่เ่ยปุ๊บวางอาจารย์เราไว้ก่อนเอาผู้เจ้ามาก่อนอันดับแรกใช่ไหมอาจารย์คะ <c oughs> ทีนี้บางคนบอกว่าเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี้ยังติดใจอยู่ <c oughs> เพราะเชื่อว่าเป็นถาวรวัตถุ <c oughs> น่าจะมีบุญมากกว่า <c oughs> หรือสบายใจมากกว่าน่ะพานไปไหนก็เห็นโอ้โหยอดวิหาร <c oughs> แต่ไกล อ น, นิสงส์ต่างกันเหมือนกันอย่างไรครัท่านคนะหรือมากกว่าคือการนะการสร้างเอกุฏิวิหารผู้เจ้าก็บอกอ น, นิสงส์ไวนะ้นะคมีอนิสงส์และมากกว่าการให้ทานด้วยยมให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยองค์เนี่ยนะซูสรกุฏิครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิดีกว่าให้ทานกับอรหันต์สร้างกุฏิวิหารเนี่ยดีกว่าได้เป็นที่อาศัยในสงที่มาทั้งสี่ทิศ ที่ท่านเปรียบเทียบไว้สมัยเป็นพรามชื่อเวลามะยมแจก e ทานเงินถาดทองให้กับคนเป็นร้อยเป็นพันก็ยังสู้ให้ทานกับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้อันนี้สูงมากกว่า <Okay. S 2> ให้ทานกับพระโสดาบันร้อยองค์สู้ให้กับพระสกัดทาคาเมองค์เดียวไม่ได้ไล่ไปจนถึงพราหลันองเดียวให้กับพระหลันร้อยสู้สร้างกุติครั้งเดียวไม่ได้ไดรรร ส, สร้างกุติร้อยสู้รักษาสินครั้งเดียวไม่ได้ ร, รักษาสินร้อยสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ แล้วยอมจะนั่งสมาธิถูกได้ยังไงถ้าโยมไม่มีบทพันชนะตรงนี้โบทวิหารมันสอนเราไม่ได้นะ <laughs> ไอที่บอกว่าโบทวิหารมีอนิสงส์ก็เพราะบทพันชนะเนี่ยบอกน <laughs> ะเพราะฉนั้นถ้าบทพันชนะเหล่านี้หายไปแล้วเนี่ยโยมบทวิหารไม่มีคุณค่าเลยเป็นซากประลักหักพังทันทีหมดราคาไปะน ะ, ะ, ะก็เหมือนกับราชาวพุทธตอนเนี้ย ที่เราไปเผยแพร่ศาสนาออกไปต่างประเทศยงเชื่อไหมบางทีเราไปเอาโบสถ์เก่าเขามาเป็นมาเป็นที่สอนศาสนาของเรามาเป็นวัดของเราแล้วก็ไปดัดแปลงปรับปรุงไปเอาโรงเรียนเก่าเข้ามาบ้างไปเช่าออพาร์ทเมนต์บ้างทําเป็นวัดเนี่ยในต่างประเทศเราทํากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาการสถานที่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปถ้าศรัทธาคนเปลี่ยนนะโบทพ์พันธะเปลี่ยนเนี่ยเหมือนอย่าง โบสถ์เก่าก็เปลี่ยนมาเป็นสอนศาสนาพุทธวัดปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสอนศาสนาอื่นก็ได้คะนะถ้าชาวพุทธเราไม่เข้มแข็งในบทพัญชนพระศาด า, าไม่ศรัทธาในาคำ菩ศ า, า, ามีแต่พิธีกรรมเนื้อหาไม่มีเลยของแท้ไม่มีอยู่อย่างเนี้ยนะวัตถุมันจะหมดราคาไปทันทีอ่นะก็เท่ากับว่าถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องออนะคะแล้วก็เราจะได้พบ ว่าความถูกต้องนั้นจําเป็น uh huh. ในการที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี uh huh. เราก็จะได้รู้ว่าการที่จะทําให้ปรากฏคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเหลือเกิน uh huh. ส่วนท่านที่ก็ยังบอกเอ้ก็ยังดีนี่นะสร้างหมู่สร้างกุฏินี่ก็ได้บ<ด>ุญ ม, มากกว่า uh huh. ทําทานพระอริยะอีกท่านก็สร้าง uh huh. ไปแล้วก็อย่าลืมสร้างบทพยัญชนะ uh huh. เต่ามีด้วยเอาไว้ก็แล้วกัน uh huh. นะคะคืออาตมาว่าคนเราไป ไปมองความเจริญของศาสนาในคิดเองคเราไม่จะคิดเองว่าเฮ้เนี่ยเราสร้างบวชสร้างวิหารหรือก็สร้างนู่นสร้างนี่นะแล้วศาสนาจะเจริญเราต้องกลับไปดูว่าศาสนาเจริญเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยอะไรอย่างนี้ต่างหากแล้วทำให้ตรงตามความเห็นของสัพพัญยูคือพระศาสดาเราเนี่ยถึงจะเจริญแท้วันนี้เราก็เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วที่ ได้มีโอกาสมาพบพุทธวจนะไม่ว่าจะเป็นการพบทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นการพบแบบสมัยใหม่มากนะคะหรือว่าพอเป็นการเปิดทําความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วมีหลายคนนะคะก็มาบอกออดิฉันเหมือนที่ถ้าจา่าบอกว่าหาซื้อไม่ได้เนี่ยก็มีคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้ดิฉันเพิ่งไปเจออาจารย์ท่านหนึ่ง <c oughs> เป็นระดับรองผู้อำนวยการอยู่ในกรุงเทพเลยนะคะก็ฟังรายการที่ดิฉันจัดเกี่ยวกับเรื่องพุทธวจนะทางวิทยุแล้วบอกว่าก็ไม่อยากรบกวนคุณสันสนีนะ แต่ไปหาซื้อไม่ได้บังเอิญเจอกันดิกันโดนคนพกของคนนี้อยู่หลังรถพอให้ก็ไปนะคะเราก็แล้วแล้วกันตามมาบอกว่าดิฉันจะตอบแทนอะไรได้บ้างที่ทำให้มีโอกาสได้รู้จักพุทธวจนะเราก็เลยได้แต่บอกว่าก็ช่วยกันเผยแผ่ไปกันแล้วกัน อ, อ, อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใชค่ะถ้าอย่างนี้ไปเหมาตัวเองเลยได้ไหมคะว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธวจนะสถาบันที่ท่าอาจารย์ได้ ได้ทําให้มีขึ้นมาตอนนี้นะคะใช่ทุกคนเนี่ยเป็นพุทธวัฒนสถานบันได้ด้วยการที่ศึกษาคําศาสดาตัวเองค่ะนะด้วยการเผยแพ่คําศาสนาตัวเองบ้านทุกบ้านเนี่ยคือพุทธวัฒนสถานบันถ้าบ้านนั้นเนี่ยใช้คําศาสดาโดยตรงค่ะนะไม่ต้อง<น>มาให้นายอาจารย์เซ็นชื่อรับรองใช่ไหมคะไม่จําเป็น ร, รับรองตัวเองนะรับรองตัวเองได้และจริงจรเนี่ยแตมาอยากให้ถ้าจะสร้างโบสถ์วิหารนะสร้างลงพิมพ์ นะหรือโรงงานปั๊มซีดีที่เผยแผ่พุทธวจนะยี่มไม่มีเลยนะในประเทศอใช่ไหมอ่าโยมเอ่อถ้ามีโครงการจะสร้างวัดร้อยแห่งโยมกันมาสักสิบแห่งก็จะ ส, สร้างสิบโรงพิมค่ะนะเพื่อพิมพ์หนังสือพุทธวจนะออกเผยแผ่ทั่วประเทศค่ะสร้างโร ง, งงานปั๊มซีดีออกเผยแผ่พุทธวจนะทั่วประเทศเอ๊ะอย่างนี้เห็นทีว่าจะต้องชวนออื สมาชิกพุทธวัดสถาบันที่ทั้งชมรายการที่นี่ที่อื่นๆไหคะว่าช่วยกันภาวนาหน่อยให้เสียงนี้ได้ยินไปถึงผู้ที่มีกาลังมุกมากถ้าหากตัวเองทำไม่ไหวแต่ถ้าทำไว้ก็ช่วยกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าได้ยินไปถึงรัฐบาลก็ดีเหมือนกันนะคะท่นะฮะก็จริงๆถ้ารัฐบาลทมเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดทรัพยากรของประเทศ และงบ ป, ประมาณประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติยมดูว่าการสูญเสียทรัพย์สินหรือทรัพยากรของชาติที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วยการที่คนเมาเหล้าเพราะการไม่มีสินการฆ่ากาันการขโมยโอ้สูญเสียปีมหาศาลนะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมันจะหมดไปทันทีเลยเรียกว่า รายได้นี่เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาสังคมด้วยค่ะนะอ่าโดยอัตโนมัติเลยสังคมมีความสุขประชากรในประเทศมีความสุขขึ้นโดยอัตโนมัติใช่อห ม, อมก็เห็นว่าจะมีเครื่องวัดความสุขของคนในชาติต้องวัดด้วยธรรมะมั้งค่ะนะคะหวังว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ ได้กล่าวออกไปแล้วก็ความคิดของธนาการนี้ที่ได้นําเสนอออกไปนี่ก็น่าที่จะได้รับการขานรับนะคะดิฉันอยากให้เกิดอย่างนั้นขึ้นขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีอํานาจมันจะได้ทําเนี่ยมันจะส่งผลกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็เป็นบา ร, รมีของท่านด้วยถูกไหมคะทีนี้เดี๋ยวหลายคนบอกว่าเออที่ฉันเกริ่นเอาไว้ว่าช่วงเวลาของท่านอาจารย์เนี่ยจะต้องกราบเรียนถามคําถามเพื่อให้ท่านได้ เอาพุทธวจนะมาตอบแต่ว่า uh huh. เท่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าได้สนทนาแต่เรื่องประกินกะปลืกย่อยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะมากราบเรียนถามท่านเพราะว่าท่านบอกว่าบทสวดปฏิจจสมบทบาท uh huh. ถือว่าเป็นพระสูตรที่แม้แต่พระพุทธองค์เอง <c oughs> ก็ได้ <c oughs> สาธยาย <c oughs> เป็น <c oughs> ประจํา uh huh. ใช่ไหคะ <c oughs> น, นเองก็พยายามสวดในห้องพระแต่เพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าบทนำเนี่ยบอกว่า ถ้าพิกเวอริยสาวกโกคือหมือนกับว่าอริยสาวกใช่ไหมคะที่จะต้องสอนทายายพระสูตรนี้หรือว่าพูดถึงเรื่องของปฏิจจะจึงสงสัยค่ะว่าเอ๊อเราอย่างดิฉันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอริยสาวกน่าจะเป็นสาวกธรรมดาต้องสอนหรือเปล่าอะค่ะก็ต่างกันไม่แค่อริยสาวกกับสาวกอะค่ะก็แบ่งชั้นกันสาวกกับอริยสาวกแต่พระเจ้าต้องการสอนให้คนเป็นอริยะนะ ไม่ได้ให้ตู้มเตี้ยมอยู่แค่สาวกนะนั้นในความหมายของบทพยัญชนะเลยนะคะเอาแค่เอาแค่ที่บทพยัญชนะนั่นก่อนนั่นหมายความว่าบทนี้ท่านบอกว่าให้อริยสาวกที่เป็นพระสาวกชั้นสูงขึ้นมาชั้นสูงขึ้นมานี่หมายความว่าไงคะท่านต้องเป็นพระอรหันต์บรรลุโซดาก็เป็นแล้วโซดาปันศินห้าบริบูรณ์แล้วก็ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย แล้วก็โดยโดยบทพ ย, ยัญชนะเนี่ยค่ะหมายความว่าท่านเหล่านั้นคือเป็นผู้ที่จะต้องเข้าใจในเรื่องนี้แล้วหรื อ, อยังไงคะผู้ใดเห็นปฏิจจสุวรณ์เนี่ยผู้นั้นก็ชื่อว่ามีอริยญาณธรรมซึ่งเห็นปฏิจจสุวัตแค่ไหนแล้วหลุดพ้นได้แค่สายเดียวก็ได้ขั้นตอนเดียวเช่นเห็นเวทนาโดยนัยาอริสสีรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับก็ได้แล้วอ๋อเห็นไม่ต้อง ทั้งหมดทั้งขาไปขากลับอะฮะใช่หลายคนเลยบอกว่าขาไปขากลับนี่เป็นไปถึงไหนเนี่ยไปถึงเชียงรายหรือเปล่าสายปริดจะสมุกบาทดิฉันพูดเองคงไม่เท่าท่านอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะอธิบายซ้ำค่ะไปถึงความตายและก็จบที่ความตายต้นสายอยู่ไหนก็นนะคะต้นสายอยู่ไหนปลายสายอยู่ไหนต้นสายอยู่ที่ความหลงคืออวิชชาความเข้าใจผิดนะแล้วก็เลยมีเหตุปัจจัยไล่เลียงมาเรื่อย คือสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นลําดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายว่าความตายเนี่ยมันมีเหตุมีผลเกิดมาได้ยังไงแล้วก็มันมีเหตุมีผลในการดับไปได้ยังไงนะการเกิดของมันเนี่ยความชาติคือการเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้มีซึ่งความตายความตายเนี่ยมีมาจากการเกิดแล้วการเกิดมีเพราะอะไรมีเพราะสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะอะไรมีเพราะว่าเธอเข้าไปยึด ยึดมีเพื่ออะไรก็เธอมีความอยากอยากมีเพื่ออะไรก็เธอพอใจมันไงแล้วพอใจมีเพื่ออะไรก็เธอมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นไปได้ยินเลยเกิดความพอใจแล้วให้สัมผัสมีเพื่ออะไรก็มีอายณะเนี่ยถ้าอายณะไม่มีสัมผัสจะมีได้ไหมไม่ได้แล้วอายนะมีเพื่ออะไรมีเพราะว่านามรูปมันมีเพราะมันมีตัวธาตุมาเลยปั้นมาเป็นรูปตาเราได้ใช่ไหมถ้าธาตุดินไม่มีรูปตาเราก็มีไม่ได้ แล้ว้ตัวนามรูปเนี่ยมันมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเนี่ยเข้ามารับรู้แล้วทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอะไรมีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้เนี่ยนี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกไล่มาจนถึงตายไม่รู้เนี่ยอาจจะมีบางขั้นสงสัยนยะว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ว่าขันธ์หน้าไม่ใช่ของเราแต่เราไปคิดว่าขันธ์หน้าเป็นเรานั้นทุกวันนี้เยมติ๋วก็บอกนี่ตัวฉัน ทุกวันนี้ก็ยังนลกอยู่เลยนะครับยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สามารถทําให้ไม่เป็นตัวฉันได้ตลอดเวลา uh huh. ได้เป็นได้บางเวลาสั้นๆอย่างนี้แล้วถ้าใครเอาแว่นตาของโยมไปโยมก็บอกแว่นของฉันไปไหนมีของฉันอีกแล้วคใช่ไหมมันจะมีตัวฉันมีของฉันอย่างเนี้ น, นั่นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันหมดเลยพระเจ้าจึงให้เราเนี่ย มาดูสิ่งที่เราบอกว่าเป็นตัวฉันของฉันเนี่ยว่ามันของฉันจริงหรือเปล่ารถของฉันบ้านของฉันนะอันนี้สามีฉันนี่ภรรยาฉันอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครอยู่คงที่สักคนหนึ่งทุกอย่างก็แปลเปลี่ยนปลเปลี่ยนแม้แต่ตัวฉันก็เปลี่ยนนะไม่มีใครห้ามความตายความเจ็บความแก่ได้เลยมันก็เดินหน้าไปตามเหตุปัจจัยของมัน ตรงนีคนต้องเห็นบ่อยๆถ้าเห็นไม่บ่อยเนี่ยมันจะไ ม, ไ, มไม่ค่อยได้การปล่อยวางอัตมาอยู่เฉยๆจะเห็นไหมคะท่านอยู่เฉยๆหรอล่าค่ะอยู่เฉยๆเฉพาะในส่วนกายอาจจะพอเห็นพระเจ้าบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยอาจจะพอเบื่อหน่ายใครกําหนัดได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตาทั้งสีนี้เพราะว่าเมื่อร่างกายเนี่ยผ่านไป ย0่0ิบสามสิบี่ิสิบหสิเจสิบปีเนี่ยก็ยังพอเห็นความเสื่อมได้บ้าง <Okay. S 1> แต่เขาไม่มีทางที่จะเห็นจิตเกิดดับเลยหรือเห็นความเสื่อมของจิตเพราะจิตเร็วมากถ้าเผื่ไม่ได้สดับบางท่านใช่ถ้ า, ถาไม่เคย <okay. S 1> รู้จัมกมัทเมืองแปดคือได้ยินได้ฟังธรรม ะ, ระศ า, าสดามา mm hmm. เขาจะไม่มีทางรู้ตรงนี้ค่ะวันนั้นถ้าเขาถ้าเขาเบื่อหน่ายในกายนะโอเค okay, เขาเบื่อหน่ายกายเขาก็ไปเป็นเทวดาต่อ จบเทวดาเขาก็กลับมาพอใจกายอีกเหมือนเดิมวนะนเวียนกันอยู่อย่างนี้เป็นปัญหาค่ะก็เพื่อให้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องปฏิจะสมุปบาทเนี่ยท่านเน้นว่าเฉพาะอริยาสาวกเท่านั้นหรือเปล่าที่จะต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าอาจารย์บอกพระพุทธองค์เนี่ยมุ่งเน้นให้คนเราได้เป็นพระอริยะกันทั้งหมดต้องไปสูงกว่า และปฏิจจคืออะไรท่านก็เลยบอกว่าการที่จะเข้าใจเหตุของการตายซึ่งถ้าถามคนทั่ ว, วไปที่นมานั่งอยู่แถวเนี้ยนะคะก็คงจะบอกว่าเหตุมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะหมอก็จะบอกว่าเวลาเราไปฟังประวัติคนตายส่วนใหญ่ก็จะพูดตามอาการสุดท้ายที่ทำให้เสียชีวิตทงางการลบหายใจหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเป็นโรคที่เราก็รู้สมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็ง โรกเอสอาการตายเนี่ยก็จะชี้แบบหนึ่งหรือบางคนก็ป <c oughs> ระสบอบัติเหตุตายแต่ถ้าเหตุการณ์ตายของพูทธเจ้านี่ฟังแล้วแหมวิจิตพิสดารมากเลยท่านผู้ชมว่าอย่างนั้ น, น ไ, ไหมคะสุดท้ายที่ทำให้คือถ้าถ้าจะจะพูดไปพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นพูดเหมือนก็พูดภาษาแบบ แ, แปลกๆกวนๆขออภัยนะคะคือก็มีเกิดจึงมีตาย แต่ถ้ามันคิดจริงๆไม่ใช่กวนนะคะอันนี้นี่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เราแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดได้ใช่ไมต้องพินิจิเคราะห์ทีนี้อายะตะนะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พูดเน่ยท่านอาจารย์ไปไวมากท่านหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีนามรูปนามรูปนี่คือธาตุดินน้ำลมไฟจึงได้เกิดอวัยวะต่างๆที่สามารถที่จะทาให้เรามีความรู้สึกต่างๆ ได้แล้วก็เลยเป็นที่อินุมงตุงนังทำให้เราต้องมาเกิดซ้าเกิดซากได้เพราะว่าเราไปยึดในสิ่งลองนั้นใช่เวลายึดทุกคนก็จะยึดว่าตาเป็นเราหูเป็นเราเวลาพอใจก็จะพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสนะพระสูที่โยมว่าเนี่ยตรงนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยพระเจ้าจะบอกอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยกคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสุบนั้ินั้นเทียวดังนี้ว่าคนที่เป็นอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยจะทําความแยกคลายในปฏิจจสุบาทด้วยอาการอย่างนี <c> ้ <oughs> อาการอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะคะคิดว่าตอะนั้นไม่ไม่ความแยกขลายไม่ไม่ใช่ประเด็นว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะอริยาสาวก เ็าจะมีในพระสูตรอื่นที่พระเจ้าจะบอกว่าคนเราเนี่ยที่ไม่รู้ปฏิจจสุบานเนี่ยมันรุ่มร้อนยิ่งกว่าการไปอยู่ในปริลาหานรกนะนรกที่ชื่อว่ามหาปริลาหานรกนะซึ่งมีความเล่าร้อนมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเนี่ยก็จะได้เห็นได้ยินได้กลิน่นหรือได้สัมผัสแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งสิน้นนะแต่พรเจ้าบอกว่า การไม่รู้ปฏิจจสุบานเนี่ยรุ่มร้อนกว่านั้นอีกอยิ่งกว่าตกนรกใช่ยิ่งกว่าตกนรกอีกะนะเพราะนั้น <c oughs> ปฏิจจสุบานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดนะไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นเหตุให้พ้นทุกได้แต่ถ้าเป็นอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้แล้วเนี่ยคือสาวกที่เป็นอริยะแล้วเนี่ยเขาจะใคร่ควรปฏิจจในลักษณะอาการอย่างนี้ว่า ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเนี่ยเพราะฉนั้นเมื่อเขาทรงจําสายปฏิจจสุบาทได้แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะพิจารว่าเอ๊ะ mm hmm. e พ่ออะไรมีอะไรจึงมี mm hmm. อ๋อเมื่อ น, นี้มีนี้จะมีภ菩 <Okay. S 1> ะมีเวทนาจะมีพอพอใจมีความอยากจะมี <Okay. S 1> อย่างเงี้ยเมือนเราเดินไปห้างเราตาไปกระทบรูปเออกระเป๋าใบนี้สวยนะอ่ะตากระทบรูปเกิดพอใจพอใจปุ๊บเกิดตัณหาความอยากเนี่ยสายปฏิจจมันเร็วมากมันแป๊บเดียว <Okay. S 1> นะ สัมผัสพอใจอยากละเพอเพอเร็วขนาดจ่ายเงินซื้อมาแล้วกระเป๋าฉันละอย่างเนี้ยอ่าเร็วมากอยังไม่ทันได้พิจารณาเลยเห็นไหมอ่าคนชอบซื้อกระเป๋านี้ก็จะถูกใจเลยนะอืมเป็นอย่างนั้นจริงๆริง <c oughs> เออกำลังมองอยู่นะใช่เห็นนะตัดใจซะก่อนในกรณีตัวอย่างอย่างเนี้ยกรับท่าน เดี๋ยวเผื่อเสียงไม่เข้าใหม่นะคะมีญาติโยมท่านหนึ่งบอกว่ากำลังมองอยู่พอใจแต่ไม่ทันได้ซื้อตัดใจสายปฏิจจครบเรี่ยงข้างหน้าอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่เวทนาแล้วาโยมท่านนั้นเนี่ยวางความพอใจน ะ, ะอาจจะไม่ได้ดุดกับพริบตาหรอกแต่วางได้แล้วก็ตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาได้เห็นหมความอยากก็จะ ดับไปนะวางความพอใจได้ในหมายความว่าคงจะมันมีสองสามอย่างนะคะถ้าสมมติการยกตัวอย่างในเรื่องของการพอใจของที่อยากได้แล้วซื้อได้แล้วไม่ซื้อเนี่ยค่ะอือย่างที่หนึ่งก็คือว่ามีแล้วตัดใจได้ไม่ซื้ อ, อนะคะเดินเพิามๆแต่เดี๋ยวก็ลืมอืม อ, มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตังค์ไม่พร้อมซื้อไม่ได้อยู่ล่ะก็โดยเหตุผลตรงตัวแต่กับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพิจารณา คล้ายๆแบบสายปฏิจจะเลยอ๋อนี่มันความอยากเกิดแล้วนะะเรากลับไปอยู่ลมหายใจเลยดีกว่าออืต่างกันไหมคะหรือเหมือนกันทั้งหมดค่ะก็ต่างกันแล้วแต่เหตุผลในการที่จะหยุดความพอใจอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดความพอใจได้เนี่ยความอยากจะถูกดับไปทันทีจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเหตุผลว่าเอ๊ะตังไม่พอเหตุผลว่าเอ๊ะมันก็มีเยอะแล้วนะอหรือเหตุผลว่า พอหยิบดูมันมีตำหนินี่นะไม่อยากได้หรือเหตุผลว่าเอ๊ะเรากำลังฝึกละความเพลินอยู่นี่ยนะผัสสะกระทบปุ๊บเราต้องรีบทิ้งทันทีเราเห็นละความอยากเกิดแล้วหรืออา จ, จะเหตุผลว่าเออวันนี้เพียงแค่เดินดูๆเฉยๆไม่ได้จะมาเดินซื้อเพื่อมาสำรวจข้อมูลน ะ, ะว่าอาจจะยังอ่าร้านอื่นอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้อันนี้เก็บข้อมูลไว้ก่อนอย่างนี้อ่า แต่สรุปแล้วก็คือว่าไม่เหมือนกัน uh huh. ถูกไมคะไม่เหมือนกันถ้าจะ uh huh. ดีที่สุดในเรื่องของธรรมะ uh huh. ถ้าได้ใคร้ครวญตามสายปฏิจจะนี่ก็ต uh ้องละความเพลินอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่งั้นเราก็สามารถมีแบบฝึกหัดไม่ตลอดเวลาเลยค่ะ uh huh. เห็นไหมคะท่านผู้ชมธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่ายากขนาดที่จะต้องนั่งบริกรรมถึงไหนต่อไหนขนาดไปช้อปปิ้ง ยันจะทำให้ปรากฏได้เลยนะคะและทีนี้สำหรับเราเราท่านท่านทั่วไปแล้ค่ะท่านอาจารย์คะกับบทปฏิจจสมุขบาทเนี่ยเราควรที่จะเราควรที่จะให้ความสำคัญอย่างไรหรือไม่หรือว่าไม่จำเป็นต้องสวดก็ได้อะไรก็ได้ค่ะก็เป็นเรื่องหลักที่พระศาสดาสอน เป็นเรื่องจําเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอนุเคราะห์โลกพระุทธเจ้าบอกธรรมะที่จะอนุเคราะห์โลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสุบานฉลาดในอายตนะใช่มีพระสารีบุตรก็ได้ได้พูดไว้ว่าพระศาสดาเนี่ยตรัส บ, บอกอย่างนี้จะอยู่ในหน้าสุดท้ายของหนังสือปฏิจจสุบานเนี่ยจะบอกเลยว่า พระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่สําคัญมากเป็นธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทิฏฐสุขแก่มหาชนเป็นจํานวนมากเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและจะทําให้ศาสนาเนี่ยมั่นคงดํารงอยู่ได้นานมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลนะเราจะสามารถตอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธานด้วยหลักเหตุหลักผลทั้งหมดถ้าอย่างนั้นหมายความว่า ถ้าเราเข้าใจหลักของปฏิจจสมุปบาทหลักเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติทุกธรรมชาติได้อย่างนั้นได้ดแล้วก็เข้าถึงลิมูธได้เลได้เลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องรีบนะคะไปท่องท่องแล้วจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าถ้อยคำก็จะสอดรับสัมพันธ์กันมีบทว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีกับมีบทว่าเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จริงเดาใช่ไหมคะและนี้ก็คือเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตาที่จะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับพวกเราและก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจนะคะว่าไม่ต้องขึ้นชั้นเป็นอริยสาวกแล้ ว, วถึงจะสามารถที่จะสาธยายบทนี้ได้แต่ว่าถ้าสาธยายบทนี้แล้วนั่นแหะคะ่ะธรรมดาธรรมดาแบบพวกเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอริยสาวกได้นะคะนะคะถ้าหากว่า มีคุณสมบัติของอริยะสาวกของอริยะตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและถ้าท่านเลิ่อที่สุดนี้ไปถึงชั้นของพระอระหันต์นะคะอันนี้นก็เราอนุโมทนาด้วยกันแลกันค่ะและในวันนี้นะคะเราอยากให้ทุกท่านมีกำลังใจพยายามที่จะอยู่ใกล้พุทธวจนะเพียงแค่บทใดบทหนึ่งนะคะท่านก็จะมีโอกาส ที่จะได้นําออกไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลดิฉันจะขออนุญาตที่จะอ่านบทปฏิจจสมุปบาทให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับบทปฏิจจสมุปบาทที่ดิฉันจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนี้นะคะอาจจะรวบรวมอยู่ในหนังสือชุดสาธยายธรรมหรือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นพุทธว จ, จะนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีปรากฏอยู่ในหนังสืออื่นๆอีกหลายเล่ม น, นะคะที่เป็นชุด พุทธวัจนะค่ะและที่จะอ่านให้ฟังนี้จะขออ่านเฉพาะที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อความเข้าใจกันได้โดยง่ายค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มี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 จึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญาตนะเพราะมีสลายญาตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะก็มีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน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 เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตรนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานก็มีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพก็มีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติก็มีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาศทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ค่ะและนี่ก็ครบถ้วนโดยสมบูรณ์นะคะสำหรับบทปฏิจกสมุขบาทวันนี้ก็พอควรแก่เวลาเลยนะคะนำเอาไปใคร้ครวนหรือว่าพิจารณาโดยแยบคายใช่ไหมคะอย่างที่บทพยัญชนะในทุกเวลาแนมะ้แต่กระทั่งช้อปปิ้งเป็นต้นอย่างนี้นะคะ ก็ขอให้ท่านเจริญในธรรมจากการที่ได้เข้าถึงบทพยัญชนะที่ทรงความหมายนี้ค่ะวันนี้เราก็มานมสการขอพระคุณท่านอาจารย์คึกติสโธทิพโลในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้ค่ะ การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทำคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ศึกษากันในรายการพุทธวัจนะนี้นะคะการฝึกปฏิบัติเรามีให้ในรายการเป็นประจําที่เหลือก็ขอให้ท่านได้พยายามที่จะไปฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยตัวของท่านเองจนกว่าเราจะพบกันใหม่ซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะวันพรุ่งนี้พบกันค่ะพุทธวัจนสวัสดีค่ะ ก็ขอให้ผู้ชมรายการข้าจะนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สาเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างสิ่ที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทาความลิกเล้น หอสุญญาคารวัตให้งอกงามไว้เป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัท ธ, ธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสําเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบากบักมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจําเป็นทั้งหลาย ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปาราลกความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตายทําสมดุรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน